ด้วยพระ น, นามของ Allah, อัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอขอสาบานด้วยม้าที่วิ่งหอบหักหักแล้วด้วยม้าที่เกีบเท้าของมันกระทบกับหินจนเกิดประกายไฟ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 ถ้าจริงมนุษย์นั้นเป็นผู้ในรคุณต่อพระผู้พิบาลของเขาและแท้จริงเขาได้เป็นพย า, ยานต่อการนั้นอย่างแน่นอนและถ้าจริงเขามีความหวงแหนเพราะรักในทรัพย์สมบัติ